คำว่ารักคำที่ยิ่งใหญ่สูสันสอนให้เชื่อมากแค่ไหนทำเพื่อรักทำเสียงใหญ่แต่กับเห็นแค่เธอไป To, to, thing that tomorrow ชีวิตที่เคยซึ่งทุกทีที่บอกกันฉันก็รู้ว่ารักตัวตอนมันไม่มีที่ฉันทนดีก็เท่านั้นมันก็แค่อาการคำว่า ไรที่เปี่ยนหัวไม่ว่าเธอเปอใครใครก็ต้อเป็นอากาเขาสักวันจะไม่คิดคำเพอโทษเธอเธอคอยอย่า ความทั้งเธอแค่เพียอยากให้รู้ว่าเสียใจ